ในขอนิมนต์อาจารย์สุรินสแสดงธรรมขอาการบูชาคุณพระรันาตนไตยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอาการพระาราาราอาจารย์ใบสารครูบาจารย์เพื่อนศรธรมิกเจริญพรไปยังแม่ชีแะญาติธรรมทุกท่านฟังธรรมกันตามสบายเมื่อคู่เราก็ได้สวดอภินาถปจเวกบทนี้จะเป็นบทที่ทําให้เราเห็นความจริงของชีวิตถ้าเราพิจารณาทุกวันนะเราจะมีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บความตาย ความพัดภาคจากของรักของชอบใจมีกรรมในของตัวเองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วความแก่เนี่ยเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมักมองข้ามเมื่อวานพระอาจารย์เปสารได้พูดที่สาราหน้าธรรมะ ส, ะสั้นๆก่อนอาหารเช้าอาจารย์ได้พูดเรื่องพรที่ไม่อยากไดม้มีอยู่ช่วงหนึงพูดถึงพระเฤวตะพระเฤวตะช่วงที่เป็นเด็กๆอายุวันเจ็ดขวบ พ่อแม่ก็ให้แต่งงานพระเลวตาเนี่ยเป็นน้องของพระสารีบุตรครอบครัวนี้มีลูกไปบวชหมดเลยพ่อแม่ก็กลัวว่าถ้าไม่ให้รีบแต่งงานแต่เด็กเนี่ยเดี๋ยวเรวาตาจะไปบวชมั่งก็จะไม่มีผู้สืบทอดตระกูลทรัพย์สมบัติก็จะ ม, มีคนไม่มีคนดูแลจึงให้บวชแต่เด็กจะได้มีความรับผิดชอบมีครอบครัวจะได้ไปบวชไม่ได้ขณะที่จะไปบ้านเจ้าสาวเนี่ยยายก็ไม่ให้พรผู้ทํานองว่าให้มีอายุมั่นฝันยืน ยายอายุร้อยี่สิบเรวตะพอได้ยินคำให้พอนี่ยแทนที่จะดีใจกับตกใจและกลัวเพราะเห็นยายจะหลังค่อมเงินเงินสภาพก็แย่แล้วอ่ะกลัวมากากลัวสักวันหนึ่งเนี่ยเจ้าสาวของเราจะเป็นแบบยายถ้าอยุเยอะเยอะระหว่างที่ส่งตัวเรวตะก็คิดหาทางหนีไปไวาบางอุบายว่าท้องเสียหนีไปแต่ว่าพ่อแม่ก็ ก็รำ แ, ว, แวงอยู่แล้วก็ให้คนให้คนตามครั้งแรกก็กลับมายัางไม่หนีไปพอหลายๆครั้งก็เริ่มคลายความรำ แ, ว, แวงว่าท้องเสียจริงจึงหนีเข้าป่าไปไปเจอพระแล้วก็ได้บรรณาชาปมมเป็นสามเณรพระสารีบุตรเนี่ยได้สั่งพระเอาไว้ว่าถ้าน้องชายมาให้บวชได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตแล้วท่านก็สําเร็จเป็นพระละหาันตั้งแต่ยังเป็นสมมนามเณรถัดมาก็สะดุดใจนะพอพอพูดเร่งเรื่องคนแก่เมื่อวาน ธรรมดาแล้วถึงคิวเทศเนี่ยจะนึกไปออกว่าจะพูดเรื่องอะไรเพราะเรื่องที่จะพูดมันเยอะมากก็เลยเอาเรื่องนี้มามาเป็นเรื่องเทศวันนี้พรที่ประเทศอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากอันมาเคยอ่านนิยายของอินเดียหลายเรื่องนะมันจะมีพัวพันเรื่องเกี่ยวกับการให้พรดีแหละไม่ว่าจะเป็นพระตะมหาสงครามหรือหรือนิยายอื่นๆเนี่ยคนอินเดียเนี่ยก็ถือว่าการให้พรเนี่ยสำคัญมากะ่ะยิ่งคนไทย จะใหผ้ผู้ใหญ่ให้พรเพื่อเป็นมงคลชีวิตแต่ถ้าถึงข่าวซวยโดนสาบก็ถือว่าโชคร้ายไปเลยและมักเป็นเบต้าคามสาบของฤาษีผู้หลักผู้ใหญ่นะถ้าสาบก็ถือว่าซวยไปเขาถือว่าการให้พรเนี่ยเป็นวาจาสิทธิ์ไงประเทศเดียจรงมีเรื่องเหล่านี้มากมีนิทานเซนอยู่เรื่องหนึ่งเศรษฐีผู้หนึ่งร่ํารวยมากตอนนี้ก็แก่ชรามากแล้วคิดว่าอีกไม่นานก็ตายอยากให้ครอบครัวะเป็นมงคล ลูกหลานมีความเจอลูกเลืองยิ่งขึ้นไปจึงไปนิมนต์อาจารย์สินไก่อาจารย์ชื่อดังมาที่บ้านเพื่อมาเขียนคำให้พรที่เป็นมงคลอาจารย์สินไก่ก็ไม่ขัดศรัทธาก็เขียนให้เจ้าภาพอะเจ้าภาพก็จ่ายจดใจจอว่าจะเขียนอะไรให้อาจารย์สินไก่ก็ค่อยตวัดผู้การเขียนว่าพ่อตายก่อนลูกตายหลานตาย เจ้าภาพก็ช็อกเลยตาค้างพ่อบอกว่าเนี่ยเป็นอับองมงคลเหมือนไม่แช่งให้ตายอาจารย์สินไก่ก็ค่อยปูทางเข้าหาธรรมะตัวชี้เห็นว่าคนทั่วไปเนี่ยจะต้องทุกข์มากเลยถ้าเวลาลูกหลานตายก่อนเนี่ยแล้วเราไปงานศพเราสังเกต น, นะบางทีพ่อแม่เนี่ยต้องมาร้องไห้เสียน้ำตามากมายเนี่ยเพรทั่วไปทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่ตายตามอายุไงเพราะชีวิตไปขอไม่เที่ยงคนอายุน้อยอยาะตายก่อนก็ได้ จะหาครอบครัวไหนที่ตายตามอายุเนะี่ยยากมากเลยแทบจะไม่มีน้อยมากนะที่จะตายตายเรี้ยงกตามอายุปู่ตายย่าตายตาตายยายตายพ่อตายแม่ตายพี่ชายตายแล้วค่อยไล่เรียงมาน้องจะถึงน้องคนสุดท้ายเนะี่ยจะถึงลูกกนะ็ยากไม่ให้มีหรอกเพราะแต่ละคนมีกรรมไม่เหมือนกันจารสิงไก่ก็อธิบายไปเรื่อยแล้วบอกคําเนี่ยเป็นเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยเพื่อเศรษฐีเนี่ยเห็นจริง เศรษฐีก็ตอนแรกก็คิดว่าไม่เป็นมงคลตอนหลังก็เห็นด้วยว่าเป็นมงคลการให้พรเกี่ยวความตายที่จริงแล้วคนจะกลัวตายกันนะบางคนไม่ให้พูดด้วยซ้ำไปอย่างที่อาจารย์ภาษาเคยพูดไว้สารหน้าเนี่ยได้ยินความตายเนี่ยถือว่าเป็นอับมงคลเลยห้ามมาพูดเรื่องเศร้าๆต่างๆเนี่ยพวกคนเราอยากมีชีวิตอยู่นานๆคนที่ตายทุกวันเนี่ยถ้าเราดูตามนั่งสือพิมพ์ตามข่าวโทรทัศน์เนี่ย จะไม่ใีใครเตรียมตัวตายหรอกเพราะแต่ละคนเนี่ยตายแบบกระทนหานอุบัติเหตุขาดที่ไปกูจะห่วงไงห่วงทรัพย์สมบัติหรือการงานข้างค้างจะมใีใครพร้อมที่จะตายเลยความตายม า, ม า, ม, ามากมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึงอ่ะอุบัติเหตุต่างๆบางคนเดินไปอืเขากาลัางยิงกันอ่ะอาจจะโดนลุกหลงก็ได้หรือไปที่เขาวิวาทกันบางทีก็โดนระเบิดก็ได้หรือบางทีเดินเดินไป ผ่านตึกอ่ะของหล่นมาใส่หัวตายก็มีอันนี้จะข่าวบ่อยๆความตายจึงมาแบบไม่คาดฝันเสมอนันเราก็ประหม่าไม่ได้เลยการที่ให้พอแบบนี้จึงเป็นมงคลเป็นมงคลชีวิตเลยแหละหาคนตายตามมายุยากก็มีนิทาน ส, สนุกๆอีกเรื่องหนึง่งนิทานเรื่องนี้ขายเครียดที่บ้านแห่งหนึ่งมีการจัดงานเลี้ยงทำบุญฉลอง้านใหม่มีผู้ใหญ่โกเป็นเจ้าบ้านแล้วก็มีอาแปะ อแปะก็เป็นเพื่อนบ้านแหละมาร่วมงานด้วยคันพระรับประทานอาหารเพลเสร็จแล้วพอยะถาเสร็จพระก็้พร อ, อายุวัฒนโกธนวัฒนโกศริวัฒนโกยาสวัฒนโกพาราวัฒนโกวันนวัฒนโกสุขวัฒนโกอแปะได้ฟังดังนั้นโอ้โหแบบซาบซึ้งมากเลยนะเพราะว่าแปะที่โอ้โหสมัยนี้พระเขาให้พรขนาดนี้เฉถอเอ่ยชื่อเจ้าพระทุกคำเลย กิดพิธีมากหลังจากงานเลิกแล้วเดียวอแปะก็ไปบอกผู้ใหญ่โกบอกให้นิมนต์พระชุดนี้ไปฉันที่บ้านบ้างนชุดอื่นไม่เอานะขอชุดนี้ชุดเดียวผู้ใหญ่โกก็นิมนต์พระให้แล้ววันที่รอคอยก็มาถึงหลังจากพระฉันเพลนเสร็จพระก็ให้พรอายุวัฒกาทานาวัโกาสิริวัฒกายาสาวัโกาอแปะรู้สึกผิดหวังมากเลย เพราะว่าไม่ได้เป็นดังที่คิดจึงทักท้วงขึ้นมาว่าพระพระหรือจำผิดแล้วว่าชื่อแปะนะไม่ใช่โกพระที่สวดมนต์อยู่ก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงสกิดหัวหน้าให้เปลี่ยนบทสวดตามสถานการณ์พระผู้นำก็สวดบทสวดใหม่อายุวัตตะแปะธนวัฒน์าแปะสิริวัฒนตาแปะยาสวัฒน์ตาแปะต ะ, ะแปะก็หัวเราะดีใจ ห่อหอหอมันต้องอย่างนี้คนทั่วไปมักหวังจะได้พรแบบแบบอาแปะนี่แหละขอให้ร่ำรวยการค้าลุ่งเรืองมีโชคดีมีอายุมั่นขวัญยืนแต่มันเป็นไ ป, น ป, นปนไม่ได้มันขัดต่อความจริงของธรรมชาติเพราะว่าเราอยู่ในโลกของความไปเทียงคนเราเวลาไม่เจอกันานานเนี่ยหน้าตาเราก็ไม่เหมือนเดิมแล้วแหละอย่างอาตมาเนี่ยรู้จักคนเยอะมาก โดยเฉพาะลูกศิษย์ของพระอาจารย์เปยานเนี่ยมีหลายคนนานายเห็นหน้าทีก็แก่ขึ้นมากเลยตีนกาก็ลึกผมก็งอกแต่ธรามาก็พูดไปได้เพราะว่ากูก็เสียใจแม้ตัวอาจารย์เองก็แก่เลยช่วงนี้เพราะว่าคนเราชอบคำชมเพราะว่าคำพูดพวกนี้บางทีทํา้ายน้ําใจอ่ะทําให้จิตใจพูดได้ก็เราบอกต้องธรรมะนําหน้าบอกเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไปยสานนะจะต้องเห็นไตรักเห็นความจริงชีวิตอย่างเงี้ย พระอาจารย์ท่านจะพูดเรื่องความตายอยู่เรื่อยๆเผชิญความตายอย่างสงบถ้าใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์เป็นสารก็ต้องยอมรับความแก่ได้แต่มีชายผู้หนึ่งไม่ยอมรับความแก่เป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังชื่อว่าสุรชัยสมบัติเจริญไม่ทราบว่าพวกโยมรู้จักหรือเปล่าสุรชัยปีนี้ก็อายุหกสิบแล้วก็ไปทําหน้าใหม่ทำศิลปกรรมอะให้หน้าหนุ่มขึ้นแล้วก็ทําสําเร็จด้วย หลังก็้าไปเล่นและคงละครด้วยโฉมหน้าใหม่แล้วก็มีหลายคนที่เรียนแบบเพราะสุรชัยนเนี่ยทาให้อนามาเนนําภาพของดาราจีนเก่าๆตั้งสมัยยังหนุม่มสาวแล้วก็ตอนแก่เนี่ยเอามาทําลง Facebook เ, เราทำสองข้างอีกซีกหนึ่งลูกสมัยเก่าๆอีกซีกหนึ่งตอนแก่แล้วพอาาเปรียบเทียบกันแรกๆอนามาก็ทําเล่นๆหรอ คิดว่าอย่างว่ามีคนมากดไลค์สักร้อยไลค์ก็ดีใจแล้วไม่ได้คิดอะไรนะที่ไหนได้ทํำมาทํามาคนมากดไลค์แต่และรูปเนี่ยบางภาพไปถึงสองหมื่นไลค์ขนาดอัลบั้มโพธิมาใจไปศาล ย, ยังไม่เคยได้ถึงเลยคนชอบดารามากกว่าอัลบั้มนั้นเน่ยถือว่าเป็นอัลบั้มที่มียอดไลค์สูงสุดในชีวิตอัลมาเลยนะทํามาเนี่ยยอดข้างนอกยอดข้างในเนี่ยถ้าไปดูนะมียอดแชร์สูงมากแชร์นี่คือไม่มีธรรมะ สำนักไหนอะได้ยอดแชร์เท่าอ่ะหลวงพ่อขรเวียนตายอาจารย์กพลตายก็ยังสู้ไม่ได้ชอบเรื่องโลกมากกว่าพร่อดาราแต่ละคนก็ยังมีแฟนมีแฟนๆอยู่แล้วอ่ะไม่ใชเป็นพวกโจโเหวินฟ้าโจสิงฉืออยู่ตัวหัวแล้วก็อื่นๆอีกหลายคนที่ดังๆเ ด, ด, ด, ดวิดเจียงหวังจูเซียนถิ่นชิงเสียถ้าใครเป็นแฟนตอนเด็กๆอ่ะก็จะลุกจะเห็นตอนที่เขาสวยเ้าน่ารักกันหนุ่มหล่อพอตอนแก่นเนี่ยหน้าตาก็จะเปลี่ยนไป อย่างบางคนจะเปลี่ยนจะยามตัวเองไม่ได้เลยอย่างวัดยืเหลียงตอนหนุ่มๆก็ยังดูหน้าตาดีพอตอนแก่เนี่ยอ้วนฉุเลยมีมีติงลี่แหละที่ยังรักษาส ภ, ภาพได้อายุหกสิบรักษาส ภ, ภาพดีกว่าคนอื่นทั้งหมดอะเพราะว่าสังขารเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่มีใครสามารถให้เหมือนเดิมได้เลยสุรชัยตอนหนุ่มๆเนี่ยหล่อมากนะเป็นเล่นที่ไหนก็มีสาวๆเดียวไปกีดเ ต, ต็มไปหมด ญาติของอามานี่งชอบเลยไปเล่นที่ไหนก็ตามไปตามไปเชียร์ตามไปคล้องโภ ม, มอลไยเพราะสุรชัยก็เล่นแสดงเป็นเพลงลิเกด้วยเมื่อยุค ป, ปีสองห้าสองสององสามเนี่ยเพลงฝนตกรถติดเทพธิดาเทวีน้ำค้างเดือนหกก็ดังอ่ะดังกระหึ่มเลยแหละยุ่ยปเปิดกันแข่งอาศาัย า, าสัญญาตอนเด็กอามาชอบ ชอบเพลงลูกทุ่งมากนะเพราะว่าอัลมาเป็นคนสุพรรณคนสุพรรณเนี่ยชอบเพลงบีบีใจเลย ม, มีเป็นคนที่มีดนตรีในหัวใจมองท้องไร่ท้องนาก็เป็นเพลงหมดแหละอัลมาชอบนักร้องเก่าๆจะบม่ชอบคนนักร้องใหม่ๆหรอกแต่นักร้องที่เราชอบอะ่ะก็เป็นของไม่เที่ยงสอนคลีสีประจวบก็ตายได้อย่างหนุ่มไพรวนลูกเพชรก็โดนยิง เป็นอวบผ้านั่รถเข็นต้องได้รับชีวิตที่ทุกทรมานต้อยาวนานแล้วก็ตายไปแล้วการกก้สุพรรณก็ตายยอดรักก็เป็นมะเร็งตับตายสายันสัญญานักร้องดังในอดีตก็ตายทุกคนเนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจเราถัากร้องที่อัลมาชอบบางคนถึงไม่ตายก็แก่งอมเลยแม้จะเป็นพ่องศรีวรนุษย์องค์ใจไพโรดเนี่ยแก่งอม ชลินนันนาครเนี่ยสูเทฟในแกงง อ, อมงั้นเลยแต่ละคนดาราหนังอ็นมาก็ชอบพวกดาราเก่าอ่ะสมบัติเมธนีสร ะ, ะพงอะไรพวกเนี้ยก็แก่กันหมดแล้วตอนนี้ทุกคนไม่สามารถรักษาสภาพเดิมได้เลยตกอยู่ในความไม่เที่ยงงั้นเราเห็นคนแก่บางทีเราก็สามารถเรียนธรรมะจากคนแก่ได้นะนมาบีทบาทเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราจะเห็นยายอย่างตาขุดงงเนี่ยจะมียายแก่ๆเยอะเลย เวลาลุกเดินจะลําบากนะมาใส่บาตรก็ลําบากเวลารับพรก็ลําบากคนแก่ดูแลตัวเองก็ลาบากแล้วนะไม่ได้พูดถึงไปทํางานอย่างอืห่หรอกเดินไปไหนมาไหนบางทีต้องลูกหลานจูงเดินไกลก็ไม่ได้แค่รักษาชีวิต่ประจําวันก็ก็ลาบากแล้วคนแก่ในที่นี้มีคนแก่กันมาหลายคนคงเข้าใจตรงนี้แล้วมาถึงจุดนี้หลายคนเลยเพราะชีวิตเราโดยเฉลี่ยแล้วนะเขาวิเคราะห์เนี่ยประมาณเจ็ดิบห้าขาดเกิด น, นิดหน่อย 75ปีก็จะอายุประมาณ 27,375 วันถ้าคนอายุเลย75แล้วตอนนี้เวลาก็าหมดแล้วแหละถ้าใกล้ๆก็เหลือน้อยแล้วอันมาเจอหลุมตากลมสังเวชจ่าทุกทีเลยพการที่มีอายุยืนไม่ใช่ว่าดีนะหลุมตาโกมเนี่ยแค่เดินก็ลำบากตอนนี้พยุงกายก็จะลม้มผิวหนังก็เหี่ยวโยนหลังก็คล่อมเคลื่อนไหวก็ลำบาก ตอนนี้ต่อให้มีเงินเนี่ยมากองต่อหน้าไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะหลูกตาโกมกินอาหารได้แค่เหมือนพวกเรากินเผื่อ น, น้อยกว่าด้วยจะไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้เั้นคนแก่ก็สอนธรรมะเราเงินทองเนี่ยเป็นสิ่งีหลอกลวงที่สุดเลยบางคนถูกเงินหลอกแล้วต้องหาตลอดชีวิตลืมมองความจริงของชีวิตไปตกเป็นท่าของเงินบางคนตกเป็นท่าของอาหารเนี่ยติดในรสชาติอาหารต้องอร่อย จากตัวผู้พูดเองนะเป็นคนที่กินอาหารเลือกมากเลยนะตออชีวิตเนี่ยมาช่วงหลังเนี่ยเป็นโรคเ ก, กาไก่ก็กินไม่ได้ต้องเห็นไก่หน่อไม้ก็ชอบกินยอดผักกะปิและของอื่นๆที่ว่าไม่จะเป็นเกี่ยมชายของดองต่างๆก็กินไม่ได้ได้แต่ผ่านไปเวลาตักอาหารอันนี้หลายเดือนแล้วพ่อนออกมาเพิ่งรู้เมื่อเมื่อไม่กี่เดือนนี่เอง ก็ตัวเองมีกรอยูริทสูงไปตรวจแล้วอะวันที่ไปปลูกป่าหยอดถั่วผู้หลงเนี่ยวันนั้นอากาศกําเริบถ้าเราไม่ไม่ไปตรวจเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นโรคเ ก, กาต์เราก็กินตามใจเราอะ่ะตามใจกินเล็เดี๋ยวนี้ก็ควบคุมแต่ถ้ามองดูมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะทําให้เราเนี่ยไม่อ้วนเพราะยังไงเราอ้วนยากเขาแหละอยู่ในขอบเขตเพราะกินเราไม่สามารถกินอาหารตามใจปากเราได้ก็แล้วแต่ถ้าคนที่กินอาหารตามใจปากเขต้องอ้วนแหละไม่อ้วนก็ มีโรคแซรกซอนมากมายโรคเบาหวานมาจากการกินอาหารนั่นแหละเบาหวานฟัมดันมะเร็งและโรคอื่นๆอีกมากมายโรคปวดตามไขข้ออันนี้ก็ส่วนมากก็มาจากกินสัตว์ปีกถึงใครไม่มีกดยุริทถ้ากินลงมากก็ปวดได้สาเหตุมาจากความแก่เพระแก่ปุ๊บเนี่ยพวกโรคต่างๆก็จะมาหาเราทันทีเลยอย่างตัวผู้พูดเมื่อก่อนก็แข็งแรงสุขภาพดีพอเริ่มแก่ขึ้นเนี่ยตอนนี้ผู้พูดก็อายุห้าสิบแล้ว ร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงสายตาก็เริ่มแย่ลงผมก็งอกฟีนกาก็ลึกขึ้นความจำบางทีก็จะบางทีก็ลืมนะขี้ลืมการเคลื่อนไหวร่างกายก็ช้าลงกำลังก็อ่อนลงอันนี้เห็นได้ชัดเลยถ้าเกิดเราลุกเดินผิดจังหวเะเผลอเจ็บตวัวเพราะคนแก่จะกระดูกเสื่อมกระดูกไขข้อต่างๆเนี่ยจะเหมือนหนุ่มสาวแล้วหนู่มสาวเนี่ยเคลื่อนตัวอิสระ จะไม่มาคิดเรื่องพวกนี้หรอกคนแก่เดินเหินก็ต้องระวังเดินผิดเท้าแพงเดินไม่ดีล้มเกิอดอุบัติเหตุได้ถ้าคนแก่ลื่นล้มกับคนหนุ่มสาวรื่นล้มเนี่ยผิดกันมากเลยนะวัดป่าสุกโตเนี่ยก็เป็นจุดลื่นลื่นอันตรายเยอะเวลาฝนตกนานๆเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นั้นเราก็ต้องระวังกันแต่เรื่องหกล้มนี่คนหนุ่มสาวก็หกล้มได้เหมือนกันแต่ว่าแต่คนแก่ถ้าประมาทนั้นเราก็ต้องมาเข้าใจความยิงชีวิต ความจริงของโลกธรรมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกมีสรรเสริมมีนิทาอันนี้ไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นถ้าเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับโลกธรรมได้ถึงเวลามีล า, ลาบเราก็ไม่กินดีมากเพราะลาบเนี่ยมีมีมันก็ไปขอไม่เที่ยงอั่นแหละถ้ า, าจยาเสื่อมลาบอาจจะสูญหายได้มีชื่อเสียงกับชื่อเสียงอยู่ ใ, ใกล้ๆกันแหละ เพราะพวกที่เป็นข่าวตาำหนักสือพีมาส่วนมากเป็นคนชื่อดังนั่นแหละพอชื่อดังปุ๊บแล้วก็มาชื่อเสียอยู่ ใ, ใกล้ๆกันแล้วก็มีทุกข์กับมีสุกขก็อยู่ติดกันแหละเหมือนหัวงูกับหางงูวันนี้ราจจะสุขพรุ่งนี้รายจะทุกข์ก็ได้ใครยึดความความสุขมากคนนั้นก็ทุกข์มากกันแหละเพราะจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยมันไม่ได้สุขจริงหรอกมันเป็นก้อนทุกข์เรานั่งานา น, านเดี๋ยวก็ปวดก็เมื่อย ขณะนอนเนี่ยนอนท่าเดียวนานเดี๋ยวก็ต้องพลิกตัวไปพลิกตัวมามันแสงไตรักตลอดเวลาเลยแต่เราไม่สังเกตเองเดี๋ยวก็ต้องปวดท้องชีปวดท้องอืดเดี๋ยวก็ต้องหิวน้ำเราก็ต้องมีหน้าที่บริาหารกายแหละหน้าที่ของแต่ละคนถ้าไม่บริหารกายก็แย่เลยอย่างคนไม่ออกกำลังกายเวลาแก่ตัวไปก็เป็นคนอ่อนแอคนที่โรคไปหรือกิอาหารไม่ถูกต้องก็ป่วยมากมาย โลกก็ตามมาคือกินอาหารที่เป็นโทษเราก็ต้องควบคุมจิตใจเราแหละให้สมดุลกายสมดุลใจสมดุลอย่าพวกโยมฉลาดนะมาเข้าวัดมาฟังธรรมเราก็สามารถธรรมะไปใช้กระชินประจําวันได้พวกพยาบาลเนี่ยเป็นงานที่สามารถสร้างกุศลได้มากเลยบางทีดูแลคนป่วยด้วยจิตที่เมตตาบางที่คนป่วยจะ จ, จุ๊จู้จี้สร้างความลาคาญใจให้กับเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่เมตตาปุ๊บเนี่ย เราก็จะเกิดปฏิฆะคือขัดใจอะ่ะแหละบุญกับบาปอยู่ ใ, ใกล้กันแหละกุศลกับอกุศลตอนแรกเป็นบุญอยู่แต่ถ้าเกิดอีกฝ่ายจะทำให้โกรธก็เป็นบาปได้ผิดกระถูกก็เหมือนกันอยู่ ใ, ใกล้ๆกันหัวงูหางงูพวกนี้แล้วก็คําดินคําสารเสรอือคําดินทาไม่มีใครดนีพ้นหรอกบางทีคนคนเดียวกันแหละบางครั้งก็ชมบางครั้งก็ด่าหรือแม้ก็ดินทารับหลังเราอย่หวังว่าอย่ามาดินทาเราเนี่ยแทบจะไ ป, ป, ปไม่ได้เลย ถ้าผลประโยชน์ลงตัวก็ชมผลประโยชน์ขัดกันก็ด่าดินทาไม่ว่าต่อหน้าก็ว่าลหลังจึงไม่มีใครถูกใจใครอะ่ะอันนี้เรื่องนี้แต่ถ้าเราไปตัวตัวเองไม่ไปแคร์คนอื่นก็ทําในสิ่งถูกต้องเนี่ยใครดินทาเราก็ช่างไปใครชมเราก็อย่าไปเหลิองอันเนี้ยชีวิตเราก ล, คกลกกมคือกับโลกธรรมไม่เคยทุกข์มากคนที่ดีใจมากอะ่ะคือคนที่ก็ต้องร้องไห้เสียงดังอันที่เห็นมาหลายลายละ คืออินกะอารมณ์ที่เกิดขึ้นบางคนแก่แล้วก็ชอบเลืออดีตมาตอกย้ำให้ตัวเองทุกข์ก็มียังมีแท็กซี่อยู่คนหนึ่งคนนี้จะชอบนำเรื่องความหลังมาเล่าให้ผู้โดยสารฟังผู้โดยสารนั่งไปด้วยเนี่ยแกก็จะเล่า ว, ว่าเนี่ยเมื่อ14ปีก่อนที่บ้านเขาอยู่ลาดพร้าวซอย5เส้นนั้นเปียวมากคืนหนึ่งประมาณตีหนึ่งตอนนั้นลูกชาย อายุยังไม่ถึงขวบเลยเกิดป่วยหนกักชักขึ้นมาทําท่าจะาตายแกตกใจมากเลยแนละ้วอุ้มลูกเนี่ยวิ่งไป บ, บนถนนโบกแท็กซี่แต่แท็กซี่ไม่มีโผล่มาเลยสักคันเดียวไม่รู้จะทําทไงสิ่งอุ้มลูกวิ่งวิ่งกลับที่บ้านเห็นเพื่อนบ้านน่ยมีรถปิกอัพอยู่คันหนึ่งก็เข้าไปตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านให้ช่วยนําลูกไปส่งโรงพยาบาล่าวิถีเพื่อนบ้านเนี่ยก็ขับรถ พาลูกไปส่งตอนนั้นประมาณตีหนึ่งกว่านะใครไม่ถึงแท็กซี่คดีก็ถามเพื่อจะเอาเท่าไหร่ไอ้เพื่อนบ้านก็คิดอะไรไม่ออกห้าร้อยก็แล้วกันแท็กซี่ก็ให้เกินไปแล้วก็เก็บฟาร์มแคมไม่ตลอดคือเขาคำนวณว่ามิตเตอร์เนี่ยกดจากลัดพร้าวซอยห้าเนี่ยมาถึงราชวิถีเนี่ยตีหนึ่งน่าจะประมาณเจ็ดสิบตีหนึ่งกว่านะน่าจะไม่เกินเจ็ดสิบ รถติดๆก็น่าจะปะมาณร้อยหนึ่งก็ฝังใจกับเรื่องนี้มาตลอดเจอผู้โดยสารคือนรถมาก็จะเล่าให้ฟังแล้วก็ดา่าถ้าดา่าคนที่พาลูกไปโรงพยาบาลแบบเสียหายมาตลอด14ปีจนมาเจอผู้โดยสารคนหนึ่งผู้โดยสารคนนี้ชื่อว่าอาจารย์พิพิธคุิแก้วเป็นวิทยากรนักผู้ชื่อดังเขาก็ฟังมาถึงจุดหนึ่งก็หยิบ้อนถามว่าแท็กซี่เนี่ยวันนึงขับกี่ชั่วโมง โชเฟอร์นนี้ก็บอกสิบสองชั่วโมงกะสิบสองชั่วโมงอาจารย์พิพิธก็ถามถามว่าแล้วแล้วถ้าคุณเนี่ยขับรถไปทั้งวันแล้วสมมุติอ่ะสี่ทุ่มเข้านอนแล้วเวลาตีหนึ่งเนี่ยมีคนมาเรียกให้คุณเนี่ยไปทุร์แบบด่วนเนี่ยให้เจ็ด้อยคุณจะไปไหมแท็กซีก่บอกผมไม่ไปหรอกสุขภาพสำคัญกว่าอาจารย์พพีก็พูดก็ถามต่อว่า งั้นเมื่อ14ปีก่อนเนี่ยเพื่อนบ้านของคุณเนี่ยนอนอยู่ตีหนึ่งนะจูจ่ๆเขามีเพื่อนบ้านเนี่ยอุ้มลูกที่ชักเนี่ยมาขอให้ช่วยเขาา จ, จะทํางานมาเหนื่อยทั้งวันดักกว่าคุณอีกกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวเขาไม่มีทางเลือกเลยยังไงก็ต้องช่วยถ้าวันนั้นเขาไม่มีรถหรือแรงน้ำใจเนี่ยลูกคุณตายแน่นอนถ้าคุณมีน้ําใจนะวันนั้น ให้เงินเขาไปสักพันหนึ่งยัดใส่กระเป๋าชีวิตคุณจะมีความสุขมากกว่านี้เลยที่คุณถามว่าจะเอาเท่าไหร่เนี่ยเพราะใจคุณไม่อยากจะให้เงินเขาอยากเขาปฏิเศธแสดงความ ม, มีน้ำใจไงถ้าคุณเปคนใจกว้างไม่เห็นแค่ตัวนะเขาเรียกเท่าไหร่คุณก็ให้เขาไปเลยชีวิตคุณก็จะมีความสุขแต่ที่ไหนได้คุณด่าคนที่ช่วยชีวิตลูกของคุณไว้มาสิบสี่ปีด้วยเงินแค่ห้าร้อย ทั้งที่ชีวิตลูกของคุณเนี่ยมีค่ากว่าเงินห้าร้อยไม่รู้กี่กี่เท่าแท็กซี่พอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยสะดุดใจเลยนะเพราะเป็นคำพูดที่แบบคาดไม่ถึงมันหักมุมกับความคิดของแกคือแท็กซี่เนี่ยจะมองทางลบตลอดมองว่าไอคนช่วยชีวิตเนี่ยเห็นไอตัวเอาเปรียบเรียกต้นห้าร้อยแต่อาจารย์พิษพิษมองตรงข้ามไงมองคนละมุมเลย บอกว่าชีวิตลูกมมีค่ามากกว่าแล้วบอกให้สมควรขอบคุณเขาด้วยซ้ำแท็กซี่สำนึกผิดนยก็บอกจะไปขอโทษเพื่อนบ้านอาจารย์พิชิตบอกไม่ต้องก็แหละเพราะคุณได้รับการลงโทษมาสิบสี่ปีแล้วเพื่อไปหางคุณเนี่ยเขาก็มีความสุขดีว่าวันหนึ่งเนี่ยได้ช่วยชีวิตลูกชายเพื่อนบ้านไว้ได้เงินห้าร้อยอีกเขาขอบคุณคุณอยู่แล้วคุณแฟมีน้าใจแต่คุณนี่แหละ จะต้อตกระ ล, ลกมาตังสิบสี่ปีแคนเขาด่าเขาคุณได้รับการลงโทษสาสมแล้วนั่นความสุขความทุกข์ก็อยู่ที่บุมมองนะบางคนเมื่อเรื่องดีๆก็ทําให้เป็นเรื่องร้ายแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเราก็เปลี่ยนอย่างแท็กซี่เนี่ยคิดแต่เรื่องร้ายมองอะไทางลบหมดแทนที่มีความสุขสิบสี่ปีที่เสียไปนั่นเราก็เอาความแก่เนี่ยมาให้บทเรียนสอนใจเราเพราะว่าเราหนไีไม่พ้นความแก่ ความเจ็บและความตายที่รอเราอยู่เราก็ต้องไม่ประมาท้าบุญสร้างบุญท่ากุศลสร้างความดีอยู่เสมอเพื่อเป็นทุนเตรียมไว้ถ้าเราทําไม่ดีเนี่ยตอนแก่มันก็ลำบากอันมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาท้องก่อนพยมฟังก่อนหนึ่งก่อนจบความเอ๋ยที่ความแก่เป็นเพื่อนแท้ของความตายไม่ไ น, น่ายหนีเมื่อความแก่ล่วงการมานานปี ก็มอบเวรคือหน้าที่ให้ความตายไม่ยกเว้นใครๆไม่ลําเอียงมีให้ใครหลีกเลี่ยงหรือเถียงได้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหญิงชายรีบทำดีก่อนตายให้มากเอ่ย